ไม่ต้องถ่ายไปทำภารกิจการงานต่างๆจึงได้มีเวลาว่างจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญเพราะการทำบุญนี้เป็นคนประโยชน์ทั้งกับตนเองและกับผู้ผู้ที่มีชีวิตอยู่และผู้ที่ร่วมนับไปแล้ว สามารถได้รับประโยชน์จากการทำบุญของญาติโยมเพราะบุญนี้เป็นเหมือนอาหารที่มีไว้สำหรับหล่อเลี้ยงจิตใจหล่อเลี้ยงดวงวิญญาณเวลาที่ไม่มีร่างกายไม่สามารถใช้ร่างกายหาอาหารได้ก็จำเป็นจะต้องอาศัยบุญเป็นอาหารเลี้ยง ดวงวิญญาณไปจนกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาได้ร่างกายใหม่ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทมันทำบุญกันอยู่เรื่อยๆจึงเป็นประเพณีของชาวไทยชาวพุทธเราเวลาที่มีเทศกาลมีวันหยุดก็จะนิยมเข้ามา เพื่อทำบุญกันบุญที่ทำนี้ก็มีหลากหลายเหมือนกับอาหารที่เรารับประทานก็มีหลากหลายด้วยกันอาหารนี้เราอาจจะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคืออาหารที่ต้องรับประทานเป็นประจำและอาหารเสริมที่รับประทานบ้างก็นด้ไม่ได้รับประทานบ้างก็ไม่เป็นไร เช่นอาหารหลักของเราก็คือข้าวกับข้าวอย่างนี้เป็นของที่เราต้องรับประทานกันเป็นประจำแต่ของเสริมเช่นขนมนมเนยผ ล, ล, มลไม้รากไม้ของอะไรต่างๆถ้ามีก็รับประทานได้ถ้าไม่มีก็ยังไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะร่างกายยังสามารถอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีอาหารหลักเลย ร่างกายก็จะอยู่อย่างลําบากฉันใดใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องรับประทานอาหารหลากหลายด้วยกันอาหารหลักที่พระพุทธเจ้า ส, สอนให้พวกเรารับประทานคือบุญให้พวกเราทํากันอยู่อย่างสม่ําเสมอก็คือการทาทาน การรักษาศีลการภาวนาการฟังเทศฟังธรรมอันนี้เป็นอาหารหลักที่เราควรที่จะคอยเติมอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเรามีทานมีศีลมีฝักภาวนามีการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะได้รับอาหารหลักไว้ดูแลรักษา ให้อยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขไม่หิวโหยไม่อดอยากขาดแคลนส่วนอาหารเสริมนี้ก็บุญเสริมนี้เราก็ทำไปตามโอกาสเช่นการอุทิศบุญเวลาเราทำบุญแล้วถ้าเราอยากจะอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ร่วมรับไปแล้วเราก็สามารถทำได้ เช็นวันี้ญาโยได้นำกับข้าวกับปลาอาหารของข้าวของหวานมาถวายพระภพิกสุกสำ ม, มเองพอเราถวายแล้วเราก็จะได้บุญขึ้นมาในใจคือความสุขใจความอิ่มเอิบใจแล้วเราสามารถแบ่งปันความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เป็นเหมือนอาหารทิพย์ ที่เป็นอาหารทิพนี้ส่งไปให้แก่ร่างกายร่างทิพทั้งหลายคือดวงวิญญาณที่ออกจากร่างกายนี้ไปแล้วโวงวิญญาณนี้เราเรียกว่ากายทิพกายทิพนี้ต้องอาศัยบุญถึงจะมีความสุขถึงจะมีความอิ่มถ้าเวลาอยู่เป็นมนุษย์ไม่มีเวลามเวลา ที่จะมาทำบุญเวลาตายไปก็จะไม่มีบุญติดตัวไปก็จะไปแบบขอทานไปหิวโหยต้องไปขอบุญจากผู้ที่เขาทาบุญและอุทิศให้ถ้าเขาทำแล้วเขาไม่อุทิศให้เราก็รับก็รับไม่ได้ต้องให้ผู้ที่ทำบุญนี้มีการอุทิศก่อนเช่น เวลาที่ญาติโยมทําบุญเสร็จเวลาพระว่ายถาสัพพีญาติโยมก็เตรียมภาชนะคือน้ําไว้สําหรับกรวดน้ําแต่ความจริงการอุทิศบุญนี้ไม่ต้องใช้น้ําก็ได้ใช้ก็ได้เพราะว่าน้ําไม่ใช่เป็นตัวบุญน้ําเป็นตัวอย่างของบุญเป็นเหมือนการภาพเป็นการ ฉายภาพให้เห็นว่าบุญนี้เป็นเหมือนกระแสน้ำที่เราเทลงไปในภาชนะเวลาเราอุทิศบุญเราก็ระลึกไปภายในใจว่าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ที่ร่วมรับไปแล้วหรือบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยเป็นญาติสนิทมิสหาย กันมาในอดีตชาติถ้ามีความเดือดร้อนต้องพึ่งพาอาศัยบุญก็ขอให้มารับบุญส่วนนี้ไปได้ถ้าเราอุทิศอย่างนี้แล้วถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะรับไปได้แต่ถ้าเราทำบุญเสร็จแล้วเราไม่อุทิศเขาก็ไม่สามารถที่จะรับบุญส่วนนี้ไปได้ การอุทิศนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีพระมาสวดยาถาสัพพีก่อนที่เราจะอุทิศการสวดยาถาสัพพีของพระนี้เป็นการสอนเรื่องของการอุทิศบุญและผลบุญที่ได้รับจากการทำบุญส่วนแรกเราเรียกว่ายถ า, านี้ท่านสอนวิธีอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว ส่วนที่สองเรียกว่าสัพฟีนี้เป็นการให้พรญาติโยมที่มาทําบุญดังนั้นเรื่องของการอุทิศบุญนี้จึงไม่จำเป็นจะต้องมีพระมาสวดญาถาสัพพีให้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีน้ำที่กวดน้ำแต่ถ้ามีก็ทําไปได้ไม่เสียหายอะไรแต่ก็ไม่ได้ทําให้บุญมันมากขึ้นแต่อย่างัน ไม่มีก็ไม่ได้ทำให้บุญน้อยไปแต่อย่างใดเพราะบุญนี้เกิดจากการกระทำของเราเพียงส่วนเดียวคือการแบ่งปันการเสียสละเงินทองเข้าวของที่เรามีอยู่ให้แก่ผู้อื่นไปการทำอย่างนี้เราเรียกว่าทานพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเราควรทำทานอยู่พียงสม่าเสมอ ถ้าเป็นไปได้ก็ทำทุกวันเช่นถ้ามีพระเบญทบาเดินผ่านบ้านมาการใส่บาตรนี้มีอานิสงส์มีประโยชน์หลายประการนอกจากได้บุญแล้วยังช่วยสนับสนุนอุปถรรัมภ์ศาสนาให้อยู่ไปยาวนานเพราะว่ า, ถ, าถ้าพระภิกษุไม่มีใครใส่บาตรก็จะไม่สามารถ ยำลงเป็นพระได้ต้องลาสิขาไปเพราะถ้าอยู่แล้วไม่มีใครใส่บาตรก็อดอดอยากขาดแคลนดังนั้นเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ควรจะใส่บาตรทุกวันถ้ามีพระผ่านมาทางบ้านถ้าไม่มีพระแล้วยังอยากจะทำบุญใส่บาตรอยู่ ก็เอาเงินที่เราจะซื้อข้าวซื้อของใส่บานี้ใส่ไว้ในกระปุกใส่ไปทุกวันตามกำลังศรัทธาของเราแล้วพอเรามีเวลามาวัดเราก็นำเงินที่เราใส่ไว้ในกระปุกนี้มาถวายให้กับวัดก็เท่ากับเราได้ทาบุญใส่บาตรทุกวันได้อุปทาได้ทํานุบำรุง พระพุทธศาสนาให้อยู่ไปนานๆเป็นร่มโพล่มไสให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายเพราะที่ไหนมีศาสนาที่นั่นจะมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะศาสนาจะสอนให้สัตว์โลกมีเมตตาต่อกันคือไม่เบียดกันไม่ทำลายกันไม่ทำร้ายกั น, กนให้อภัยกัน ให้มีความปรารถนาดีต่อกันและกันถ้าโลกนี้มีความเมตตาแล้วโลกนี้ก็จะอยู่ไปอย่างสงบอย่างสุขอย่างสบายเพราะมีคําตัดของพระพุทธเจ้าที่ตรงตัดไว้ว่าเมตตารมคัมจุนโลกโลกนี้จะอยู่อย่างผาสุขอย่างปลอดภัย ก็ต้องมีความเมตตาต่อกันถ้าใจของมนุษย์นี้ปราศจากความเมตตาแล้วโลกนี้ก็จะเป็นเหมือนโลกนรกโล ก, โลกของสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานนี้เขาต้องฆ่ากันต้องกินกันถึงถึงจะอยู่ได้แต่มนุษย์นี้เราไม่ต้องฆ่ากัน เราสามารถที่จะหาอาหารโดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนกันไม่ต้องทำลายกันไม่ต้องฆ่ากันได้ดังนั้นการทำบุญใส่บาตรทุกวันนี้จะเป็นการส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาอยู่ไปยาวนานเพราะพระก็ต้องออกมาบินทบาทการบินทบาทนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวเป็นการเดินจงกรม เป็นการเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาต่อไปเป็นการทำความเพียรถ้าญาติโยมไม่ใส่บาตรหรือจะเอาอาหารมาถวายที่วัดนี้ก็จะทำให้พระบางรูปท่านไม่อยากจะไปบินทบาทเพราะท่านเห็นว่าไปบินทบาทก็ได้อาหารมาไม่ได้บินธบาทก็ได้อาหารมา ท่านก็เลยจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติทาประกอบความเพียรไม่ได้ไปเดินจงกรมไม่ได้ไปเจริญสติการไม่ได้ปฏิบัติโดยการไม่ได้ออกเบิทบาทนี้ก็จะทำให้ไม่เจริญก้าวหน้าในด้านการปฏิบัติและอาจจะไม่สามารถบรรลุผล ข, ของการปฏิบัติได้ ก็จะทำให้ไม่ได้เกิดประโยชน์กับตนเองและกับผู้อื่นพระภิกษุที่มาบวชนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำประโยชน์กับตนและกับผู้อื่นประโยชน์ของตนก็คือให้ศึกษาและปฏิบัติธรรมจนสามารถบรรลุผลข อ, ของการปฏิบัติคือได้บรรลุเป็นพระอาริยะบุคคลขั้นต่างๆ ตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอาหารหันต์พอได้บรรลุผลแล้วก็จะได้เป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปผู้อ่นที่ยังมีความมืดบอดมีความทุกข์มีความหลงพอได้รับคาสอนของพระอริยเจ้าก็จะหูตาสว่างขึ้นมาก็จะสามารถ บำบัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้นี่คืออนิสงค์ประโยชน์ของการทำบุญใส่บาตถ้าไม่สามารถที่จะทำได้แต่มีผู้อื่นเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือเขาได้เป็นบุญเหมือนกันเช่นพ่อแม่ของเรานี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นพระของพวกเราเป็นพระอาหารหันต์ของพวกเรา ตอนที่เราจะไปทำบุญกับพระอาหารหันต์นอกบ้านท่านบอกว่าให้เราทำบุญกับพระอาหารหันต์ในบ้านของเราก่อนเลี้ยงดูพ่อแม่ให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายอย่าให้ท่านอยู่แบบตกทุกข์ได้ยากลาบากลาบนส่วนเราอยู่อย่างสุขสบายถ้าอย่างนี้ถือว่าขาดความกตมัญญูกะตะเวที การทําบุญกับพ่อกับแม่พระพุทธเจ้าเปรียบว่าได้บุญเหมือนกับได้ทําบุญกับพระอาหารหันต์เลยเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าเราทําบุญกับพ่อแม่แล้วเราอยากจะไปทําบุญกับพระตามวัดต่างๆเราค่อยไปการที่เราเลือกทําบุญกับพระอาาริยะก็เพราะว่านอกจากบุญที่เราได้แล้วบุญที่จะเกิดจากการทําทานแล้ว เราจะได้บุญอีกอันหนึ่งคือบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมการฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระอริยะนี้เราจะได้ฟังธรรมของจริงเหมือนกับเวลาที่เราอยากจะเดินทางไปในทิศทางที่เราไม่เคยไปเราก็ต้องถามทางจากคนที่รู้ทางถ้าเราไปถามจากคนที่ไม่รู้เขาก็จะบอกไม่ถูก แล้วเราก็จะไม่สามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ฉันใดการเข้าหาพระอริยเจ้านี้ก็เป็นเหมือนกับการเข้าหาคนบอกทางพวกเรานี้ยังต้องเดินทางอยู่เพราะตอนนี้เรายังมีความทุกข์กันอยู่เราอยากจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีใครจะ บอกเราได้นอกจากพระสาวกพระอาหารหันต์ของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะท่านเป็นผู้ที่ได้เดินทางไปถึงที่ไม่มีความทุกข์แล้วถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าทำบุญกับพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะเราจะได้รับคำชี้แนะ คำสอนที่จะทำให้เราสามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้แต่ถ้าเราไปทำบุญกับพระที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้บรรลุผลท่านจะไม่สามารถบอกทางที่ถูกต้องให้แก่เราได้แล้วก็จะอาจจะบอกไปในทางที่ผิดได้ นี่คือเหตุผลว่าเวลาทําบุญทําไมต้องเลือกพระกันเลือกพระถ้าเราต้องการคําสอนต้องการธรรมะต้องการแสงสว่างนาําทางแต่ถ้าเราไม่ต้องการธรรมะเราเพียงต้องการบุญคือความสุขใจอิ่มใจที่จะเป็นอาหารทิพย์หล่อเลี้ยงจิตใจของเราเวลาที่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วเราทํากับใครก็ได้ ทำกับพระรูปไหนก็ได้ทำกับคารวาดญาติโยมก็ได้เห็นใครตกทุกข์ได้ยากเหนื่อยร้อนก็ทำกับเขาให้ข้าวเขากินให้น้ำเขาดื่มให้ยารักษาโรคอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะได้บุญเหมือนกันหมดบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจที่เป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเรา ทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และในขณะที่เราจากโลกนี้ไปแล้วแต่เราก็จะได้เพียงอาหารทิพย์แต่เราจะไม่ได้แสงสว่างนำทางพาชีวิตของเราให้หลุดพ้นสู่ความทุกข์หลุดพ้นจากการต้องไปเกิดใช้กรรมในอบายได้ แต่ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากอบายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไปทำบุญกับพระอริยสาวกท่านก็จะสอนให้เรานอกจากทาทานแล้วให้เรารักษาศีลเพราะการรักษาศีล น, นี้จะเป็นการปิดประตูของอบายถ้าเรารักษาศีลห้าได้คือละเว้นจากการฆ่าละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดละเว้นจากการเสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆได้เราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปแล้วถ้าเราไม่ได้ไปสวรรค์เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยเพราะเราไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำเหตุ ท, ที่จะผลักดันให้เรา ต้องไปใช้บาปใช้กรรมก็คือการไปเกิดในอบายนี่ถ้าเราไม่ได้พบกับพระสาวกเราก็อาจจะไม่ได้ยินคำสอนที่จะสอนให้เราได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบก็คือให้ไปสู่สวรรค์ขั้นต่างๆจากไปสู่สวรรค์ชั้นเทพไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมไปสู่สวรรค์ชั้นอริยเจ้า การจะไปสู่สวรรค์ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้จําเป็นจะต้องเป็นมีผู้รู้ทางบอกเราถ้าไม่มีผู้รู้ทางจะไม่มีใครรู้ว่าทางที่จะไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี้ทําอย่างไรถ้าเราทําทางได้รักษาศีลได้เราก็จะไปสวรรค์ชั้นเทพได้ ถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วก็จเจริญปัญญาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพิตเจ้าฟังเทศฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆจนมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นกองสุข เห็นว่าที่เป็นทุกข์ก็เพราะว่าของทั้งหลายในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสือ่อมมีเกิดมีดับเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่อยู่ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาทำตามคําสั่งของเราได้นี่คือการรีปัญญา ถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ก็จะสามารถบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เพราะถ้าเราไม่มีอะไรแล้วเราก็จะไม่มีอะไรที่จะทำให้เราทุกข์นั่นเองความทุกข์ของเราเกิดจากการมีสิ่งนั้นสิ่งนี้กันเวลามีแล้วก็เกิดความอยาก ความอยากนี่แหละที่เป็น ต, ตัวทำให้เราทุกข์มีอะไรก็อยากให้ดีอยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆพอเขาไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราไปนานๆเราก็ทุกข์ใจไม่สบายใจมีสามีก็ต้องทุกข์กับสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยามีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีสมบัติเข้าของเงินทองก็ต้องทุกข์กับสมบัติเข้าของเงินทอง เพราะว่าของเหล่านี้เขาเป็นของชั่วคราวนั่นเองไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมจากเราไปเวลาที่เขาเสื่อมเขาจากเราไปเวลานั้นก็เป็นเวลาเศร้าโศกเสียใจร้องห่งร้องห้างเวลาที่เขายังไม่จากก็เป็นเวลาที่ให้มีความวิตกกังวลไปต่างๆนาน า, น า, น า, น า, นานกลัวว่าเขาจะจากเราไปทั้งๆที่ยังไม่จาก เพียงแต่คิดว่าเขาจะจากเท่านี้ก็ทำให้ไม่สบายใจแล้วแ ต, แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนว่าถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์เราต้องสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะต้องจากเราไปอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นของนอกกายหรือแม้แต่ร่างกายของเรา ก็ต้องจากเราไปมีสิ่งเดียวที่ไม่จากเราไปก็คือใจของเราเราจะอยู่กับใจของเราไปตลอดเพียงแต่ว่าเราจะอยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์เท่านั้นเองถ้าเรามีปัญญามีความรู้ความฉลาดที่พระเจ้าสอนให้เรารู้เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขเพราะเราจะอยู่แบบไม่ยึดไม่ติดไม่หวงไม่รักไม่ห่วง เพราะเรารู้ว่ารักไม่ได้ห่วงไม่ได้ยึดติดไม่ได้เพราะไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องจากเราไปเวลาที่เขาจากเราไปก็จะเป็นเวลาที่จะทำให้เราต้องทุกข์ทรมานใจเวลาที่เขายังไม่จากเพียงแต่คิดว่าเขาจะต้องจากไปก็ไม่สบายใจแล้วแต่ถ้าเราสอนใจจนใจปล่อยวางรู้ว่า อยากไม่ได้ถ้าอยากเราจะต้องทุกข์ก็จะไม่อยากให้สิ่งต่างๆอยู่กับเราไปตลอดไม่อยากให้เขาดีกับเราไปตลอดเขาจะดีไม่ดีเป็นเรื่องของเขาเขาจะอยู่ไม่อยู่เป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้นี่คือปัญญาของพระพุทธศาสนาสอนให้เราเห็นความเสื่อม สอนให้เรายอมรับความเสื่อมเพราะถ้าเรายอมรับได้แล้วความเสื่อมจะไม่ทําให้เราทุกข์ใจแต่ถ้าเรารับไม่ได้เราอยากจะให้ไม่เสื่อมเราก็จะต้องทุกข์ใจแล้วยังไงยังไงมันก็เสื่อมอยู่ดียังไงไงเขาก็ต้องจากเราไปอยู่ดีแต่จากด้วยความทุกข์เพราะเราไม่ยอมนั่นเอง แต่ถ้าเรายอมรับความจริงสอนใจอยู่เรื่อยๆต่อไปใจจะไม่ฝืนความจริงจะยอมรับความจริงได้พอยอมรับความจริงได้แนละ้วเวลาเขาจากไปก็เป็นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเวลาที่เรามาเราก็ไม่มีอะไรติดตัวเรามาทำไมเราอยู่ได้ตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆเราไม่มีอะไรเลยแล้วเวลา เราตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดีนี่คือความจริงที่เราต้องคอยเตือนใจสอนใจอยู่ได้เรื่อยว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรให้ความสุขกับเราไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดมีสิ่งเดียวที่จะอยู่กับเราไปตลอดก็คือใจของเราถ้าเราอยากจะให้ใจของเราอยู่กับเราอย่างมีความสุข เราก็ต้องไม่มีอะไรไม่อยากได้อะไรไม่อยากเป็นอะไรอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านเป็นกันท่านได้ปฏิบัติธรรมจนสามารถทาลายความหลงที่หลอกให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปจนหมดไปจากใจจนในใจนี้ไม่มีความอยากได้อะไรอยากมีอะไร เวลาร่างกายของท่านจะแก่เจ็บตายไปท่านก็ไม่เดือดรอ้อนนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากการมีพระพุทธศาสนาเป็นบุญเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครสามารถมอบให้กับเราได้นอกจากพระพุทธเจ้าญาติพ่ออารัยจตสาวกทั้งหลายนั่นเองดังนั้นขอให้พวกเรา มันพยายามศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้รู้ทางที่จะนำพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดขอให้พวกเราหมั่นมาวัดมาทำบุญกันเยอะอยู่เรื่อยๆอย่าทำแต่เฉพาะวันสำคัญสาคัญเช่นวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆะวันวิสาขะเท่านั้นเพราะเป็นเหมือนกับกินข้าวถ้าเรากินเฉพาะวันสําคัญสําคัญร่างกายเราก็ต้องอดตายอย่างแน่นอนใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องกินอาหารทิพย์คือบุญอยู่เรื่อยๆดังนั้นเราควรที่จะทําบุญอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยถ้าไม่ได้มาวัดก็ขอให้เราได้ใส่บาตรหรือได้ทําบุญทําทาน ได้รักษาศีลได้ฝึกทรรมสมาธิได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เป็นประจำแล้วเราจะได้แสงสว่างได้บุญได้อาหารที่จะพาให้เราได้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายในลำดับต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้